นิยามของการคุยธรรมะที่เราจะมาพบกันกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้เรา แล้วบอกนี่เป็นคําสอนของพุทธะคําสอนของพุทธะเราก็ต้องกลับมาดูที่นั้น x ที x ใน สอนเอาไว้ว่ามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่างไรทีนี้คนที่เค้าเอาไปปฏิบัติตามเนี่ยความ 2 ส่วน แนวทั้งความสามารถที่ตัวเองปฏิบัติเองและความสามารถที่จะบอกสอน เนเพราะว่าคําสอนนี่มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในสมมุติว่าถ้าสอนแล้วปรากฏว่าไอ้คนนั้นมันทําไม่ได้ถ้าเราจะไปตีด่า มันสอนยากมากนำบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังใช้วิธีเอ่อละมุนละม่อม เพราะฉะนั้นการฆ่าในธรรมวินัยนี้ก็บอกเลิกไม่สนใจว่าไม่ได้สอนไม่ได้สอนนี้อยู่ในธรรมวินัยนี้ต่อไปนั่นนั่นๆที่จะสามารถ เรียนกับครูกันนั้นแล้วก็เรียนกับครูคนโน้นคนโน้นคนโน้นดูนะผลที่เข้าออกมาก็จะเป็นต่างๆกันตามมาก็คือจะยิ่งกว่าบุคคลหนึ่งๆทั้งสิ้น เส้นเชิงแม้คนที่ฝึกไม่ได้เราก็ไม่ได้ทําลายเขานะแม้ๆที่ เอ่อเราควรจะเอาน้ําเข้ามาใส่ตัวควรที่จะไม่ดีในสมุทรบ้านเราคุณไปเอ่อเป็นแม่ค้าขายปลไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคุณเก็บปลไม้มาได้เออของ แล้วจะมีทั้งของดีและของไม่ดีที่เราจะมีความคิดว่าอริสระแบงเราๆเนี่ยเราต้องยิ่งให้คน นั่นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ที่แล้วเราจึงนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องที่เรา นะ, นะ, 6 นะว่า เอิ่มปรมาจารย์ของเราเนี่ยคือสมณะโคดมเนี่ยได้ได้สอน และนี้สองของมันก็มีตามนั้นได้ว่าจะกันนี่คือลักษณะของผู้ที่เดินตามมรรค นะเราทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีอย่างเราได้นะทางฝั่งเราไม่ได้เสียแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ไม่ ผู้บาบาบอบองๆใช่มั้ยอันนี้เป็นลักษณะของความประสาท นะสิ่งที่คนละก็มีทางฝั่งสิ่งที่คุณทําไม่แช่งก็มีอย่างบางคนถ้ายังไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองนั่นในเรื่องของๆนั้นๆ เอ่อทิศเบื้องขวานั่นคือครูอาจารย์เอ่อๆที่จะบอกสอนเราได้เนี่ยเอ่อ อันดับแรกผู้เจ้าบอกถึงให้ให้ลุกขึ้นยืนรับได้ยินคอย 2 ก็คือๆอย่างถ้า 2 ก็คืออ่ะ ในที่สอนบางทีอาจจะมี เราจะอุปถัมภ์อุปธรรม์ก็ว่าเอ่อไปคอยถวายนวดนะคอยถวายน้ํา 5 ด้วยการที่ศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพในการศึกษา อ่ะครูอาจารย์เราก็ปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้ในตัวของเราเป็นครูอาจารย์ด้วยแล้วๆจริงๆแต่เราอาจได้เกิดแนะ ของดีก็เช่นอะไร 2 ก็คือให้ศึกษาดี 3 ก็คือบอก ความจริงใจแล้วก็เอ่อ 4 ก็ทําให้เป็นที่รู้จักในมิตร 5 ก็คือทําการคุ้ม นายมีปัญหากับเพื่อนบ้างปัญหากับพ่อแม่บ้างมีปัญหากับเพื่อนบ้างมีปัญหากับๆตรงนั้นการดูแลให้ตรงนี้มันเป็น คุ้มครองป้องกันให้ในที่ต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วณคู่นี้ณทิศ 2 ฝั่งและทั้งลูกศิษย์กับทั้ง 6 นี้ทั้ง ท่านฟังที่มีคําถามข้อสงสัยหรือ 106 เวลาที่ท่านฟังจะ อยากฟังเรื่องใดๆ